เวลานี้สามปีแล้วในหลวงองค์ก่อนสวนิค์ก็เราหายเศร้าโศกแล้วตอนนั้นจะเป็นจะตายช่วงนั้นหลวงพ่อดูก็ไม่ใช่ว่าแค่เสียใจตกใจมากกว่าตกใจว่าเดีย๋ยวเราเกิดมาแล้วก็เจอรัชกาลที่เก้าแล้ว อยู่มานานท่านสิ้นไปรู้สึกชีวิตเราไม่แน่นอนแล้วหลวงพ่ อ, อยังบอกพวกเราเลยวอยู่ไดไ้ไม่เป็นไรหรอกนะก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยคนที่เหลืออยู่ก็ต้องปรับตัวอยู่จนได้แหละไม่งั้นมนุษย์มันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วมันปรับตัวไม่เป็น คนมีคุณงามความดีมากๆนะคนก็คิดถึงแต่คนชั่วมากๆคนก็คิดถึงนะเราก็อยากให้คนคิดถึงก็ทำดีก็แล้วกันนะบางค น, นอยากดังนะไปยิงประธานาธิบดีเคนเนดีอะไรอย่างเงี้ย่จะได้มีชื่อในประวัติศาสตร์นั้นไร้สาระ เราไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรแบบโจรหรอกเนกาะพรานางเล่าไปพอตายไปคนทจะจำได้อยู่ช่วงเดียวก็ลืมมันไม่มีอะไรข้ามฟ้าใครรู้บ้างว่าพ่อของปู่ชื่ออะไรไม่รู้สลงพ่อก็ไม่รู้ ที่ถามพ่อหลวกพ่อไปรู้นะปู่ชื่ออะไรรู้ไหมหลวงพ่อก็ไม่รู้งั้นเราอย่าไปคิดว่ากูแน่กูหนึ่งนะต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ไปเดี๋ยวเดียวคนก็ลืมละเราไม่ได้บารมีมากอย่างในโลวงค้อนคนยังจำได้ คนจะจำได้หรือจำไม่ได้ไม่สำคัญภาวนาของเราไปมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแบบไม่ทุกข์แค่นั้นก็ดีพิเศษที่สุดแล้วล่ะอยู่อย่างไม่ทุกข์มันเรื่องอะไรเกิดมาทั้งที่าต้องจมความทุกข์ตลอดชีวิต วิธีที่จะไม่ทุกข์ก็มีทางเดียวเท่านั้นจเจริญสติปัฏฐานไปการจเจริญสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพน้นไม่มีทางที่สองเนี่ยเราอยากพ้นทุกข์ก็ต้องจเจริญสติปัฏฐาน สติปทานนั่นเป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างขึ้นมาเหมาะกับชาวกุรุชาวกุรุชาวกุรุรเดี๋ยวนี้ก็แถวเดลีชาวกุรุนี่เป็นคนมีบุญบารมีมากพระพุทธเจ้าไปแล้วท่านเลยแสดงสติปทานสูตรให้ฟัง ในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนการทำสมถะบางอย่างมีทั้งสมถะทวิปัสนากรรมฐานที่ใช้ทำสมถะได้อย่างอนาปนาสตนิใช้ทำสมถะได้หรือการพิจารณาร่างกายเป็นธาตุเป็นอะไรพวกนี้ชิดพิจารณา เป็นปฏิกูลเป็นอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นสมถะการดูจิตบางอย่างเป็นสมถะอย่างการเพ่งช่องว่างลองหลับตาสิทำใจสบายรู้สึกไหมมันมีช่องว่างๆมีความว่างๆอยู่ข้างหน้าเราจิตถลำเข้าช่องนั้นนะได้สมถะ รู้สึไหมว่าสงบเอาถอยขึ้นมาเดี๋ยวติดสมาธิแล้วมานั่งแก้หายใจแรงๆจิตอีกดวงหนึ่งที่ใช้ทำสมถะกนะ็คือจิต ท, ที่ไม่เพ่งรูปไม่เพ่งนามไม่เพ่งอะไรเลยไม่เพ่งตัวจิตด้วยนะชื่ออากินจัญญา ย, ยตนะตัวนี้ใช้ทำสมถะได้ ในสติปัฏฐานนีบางค น, นจะต้องทำสมถะก่อนแล้วถึงจะมาเจริญสติปัฏฐานจริงๆในสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานนีท่านใส่เรื่องของสมถะเข้าไว้ด้วยยังไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานทุกอย่างจะต้องเป็นวิปัสสนานะตั้งหลักให้ถูก อย่าถ้าเราไปเพ่งลมหายใจเนะีเป็นสมถนะเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาอย่าดูจิตไปดูความว่างๆอะไรเงีย้ยเป็นสมถะในส่วนของการพัฒนาจิตในสติปัฏฐานเนี่ยเขามีสองส่วนสติปัฏฐานในเบื้องต้นเนี่ย ทำไปเพื่อพัฒนาสติเพื่อฝึกให้เรามีสติสติปัฏฐานในเบื้องปลา ย, ยฝึกไปเพื่อพัฒนาให้เรามีปัญญาเนี่ยในสติปัฏฐานนี้ทำสติอย่างเดียวก็ได้แต่ทำให้มีสติปัญญาก็ได้เวลามีสตินะอยู่ตัวเดียวได้แต่ปัญญานี้จะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสติ ต้องเกิดด้วยกันสติปัฏฐานแบบไหนทำให้มีสติทั้งหมดนั่นแหล ะ, ะทั้งกายเวทนาจิตธรรมแต่และหมวดก็มีบทย่อยๆอย่างกายก็มีเรื่องอาณาปณะสตะิเรื่องอิริยาบถสี่ เรสมัมพััญญารู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของกายมีเรื่องธาตุเรื่องอะไรทั้งหมดนี้ใช้ฝึกสติได้ทํายังไงเราจะมีสติถ้าเราไม่มีสติเราจเจริญปัญญาไม่ได้ดังนมัมีสองอย่างนะที่ทําให้เราจเจริญปัญญาได้สติกับสมาธิในสติปัฏฐานนี่รวบรวม สอนวิธีทําให้เกิดสมาธิไว้ด้วยวิธีทําให้มีสติด้วยวิธีเจริญปัญญาด้วยวิธีเจริญปัญญาก็ใช้สติเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปนามของกายของใจจะจะรู้ได้จิตต้องตั้งมั่นมีสมาธิดังนั้นองค์ประกอบที่จะเดินปัญญาเนะีย่ยน้อยมีสองตัวสติกับสมาธิ อยู่ในองค์มรรคนะสมาสติสม า, ส, ส, มาสมาธิมีคู่นี้แล้วก็สุดท้ายอาริยามรรคจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสมาสติไม่มีสมาสมาธิไม่มีโอกาสที่อริยามรรคจะเกิดสมาสติคือจะอะไรสติเป็นยังไงนะสติเป็นความระลึกได้ ถึงความปรากฏขึ้นมาของรูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าสติระลึกได้ถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปอย่าอยากฟังเทศน์นี่ไม่ใช่สติปัฏฐานมีสติไหมมีก็เป็นสติธรรมดาสติเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลทุกทุกดวงอย่างเราอยากใส่บาตรเนี่ยเวลาใส่บาตรไปเนี่ย มีความสุขมีความสบายจิตเป็นกุศลในขณะนั้นมีสติแต่สติชนิดนั้นไม่ทำให้บรรลุมรรคผลต้องสติปัฏฐานเท่านั้นอึงจะทำให้บรรลุมรรคผลได้เพราะท่านบอกแล้วว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติกับสติปัฏฐานต่างกันยังไงสติเนี่ยระลึกรู้าอารมณ์ ที่เป็นกุศลทุกๆอย่างนะคิดในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้เรื่องราวที่คิดเนี้ยเรื่องอารมณ์บัญญัติแต่สติปัฏฐานนั้นเป็นสติระลรู้รูปรู้นามนะตัวเนี้ยต้องรู้รูป ร, รู้นามคือจะเป็นสติปัฏฐานชนิดที่ทำให้เกิดสติ่ถ้าเราหายใจออก รู้สึกให้ยใจเข้ารู้สึกให้ใจออกรู้สึกให้ยใจเข้ารู้สึกเรื่อยๆหรือท้องพองรู้สึกท้องยุบรู้สึกเนี่เราได้สติแล้วถ้ามีสติอยู่อย่างนี่สมาธิมันก็เกิดได้ด้วยแต่มันเป็นสมาธิธรรมดามันไม่ใช่สัมมาสมาธิสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตอกุศลก็ได้นะ สติเนี่ยเกิดแกจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นดันั้นสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนเพื่อสร้างสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องท่านถึงใช้คําว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิส่งเดชอย่างมหาโจรที่ยิงหัวค น, นก็ต้องมีสมาธิมันสมาธิที่เจือด้วยอกุศลอยากฆ่าเขาอะไรอย่างนี้ สติก็ต้องเป็นสมาสติื่อคนเรียนตำร า, านะเรียนตำราปริยัติบอกสมาธินี่ต้องใช้คำว่าสมาสมาธิพระสมาธิที่เกิดกากจิตที่เร็วก็มีแต่สตินี่ไม่ต้องใช้คำว่าสมาสติพราะสติดีทั้งหมดในพระไตรปิฎกมีคำว่าสมมาสติงั้นจะามาโยเย โมมีตัดคำว่าสัมมาสติออกไปไม่ได้สัมมาสติต่างกับสติธรรมดาอย่างไรสติธรรมดานี่เรารึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหลายสัมมาสตินี่เราลึกรู้ลงมาที่รูปธรรมนามธรรมของตัวเองเป็นสติปัฏฐานเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสตินี่ท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐาน นี่เราพูดทางทฤษฎีก็ฟังยากเนี่ยเรามาฝึกจริงๆขณะเนี้ยพวกเรานั่งอยู่แล้วเรารลืรู้ลงไปสิมีสติรู้เห็นร่างกายกาลังนั่งอย่าเพ่งนะใช้จิตใจปกติเลยเห็นร่างกายกาลังนั่งของคุณกําลังน้อมใจให้ซึมนะคิดว่าสมาธิต้องซึมไม่ใช่ จิตต้องตื่นไม่ใช่จิตซึมจิตซึมเป็นโมหะเป็นโมหะสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิเกือบร้อยละร้อยของคนที่ทาํทาสมาธิทํามิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมา ถ, ถ้าทำสมาสมาธิจริงๆต้องเกิดอริยมรรคอริยผลในเวลาสั้นๆอันแรกเร า, เราฝึกสตินะอย่างขณะนี้ยนั่งอยู่รู้สึกไหม เราพยักหน้าสิรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกด้วยใจปกตินะไม่ใช่นะอย่างเนี้ยไม่ได้เรื่องคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะอย่างคอยรู้สึกในร่างกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกในกายเรื่อยๆการที่เราคอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะ ต่อไปพอร่างกายมันเปลี่ยนแปลงมันขยับหรือมันหายใจผิดจังหวะนี้เดียสติจะเกิดเองส ต, เอสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะอะไรเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆงั้นเรามาหัดดูสภาวะสิที่เรียกว่าสภาวะธรรมนะนรู ป, ปรธรรมนามรธรรมตัวนี้เป็นรูปประธรรมนะเห็นไหมตัวนี้นั่งอยู่รู้สึก มันนั่งอยู่รู้สึกลองหันซ้ายขวาสิหันแล้วรู้สึกเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นควรู้สึกหรือหายใจตอนนี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกไปแต่หายใจนี่ดูยากนี่นะเดี๋ยวจะไปเพ่ ง, องของโยมสหายใจก็เพ่งปึ๊กเลยจะเป็นวิชาสมาธิตันตีเลยงั้นดูอิทธิยาบทดูอะไรไป ดูความเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจมันสว่างแใเป็นโปรง่งตัวนี้คือใจที่มีสติถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดด้ว ย, นะยงั้นอยางขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกขณะนี้หายใจอยู่รู้สึกขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่รู้สึกเนะี่ยฝึกตัวเองเรื่อยๆเห็นจิตที่เบิกบานไหมเนี่ยตัวเนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวพุโทโธ นะซื้อบืออย่างนี้ไม่ใช่นะตัวมิจฉาสมาธิเราเรียรู้กายบ่อยๆนะแล้วต่อไปพอร่างกายขยับปุ๊บสติเกิดเองไม่ต้องเชิญให้เกิดนะสติที่จงใจทำให้เกิดไม่ใช่สติตัวดีเลยเป็นสติตัวไม่ดีหรอกเครียดๆจิตเป็นอกุศลด้วยซ้ำไปไม่ใช่สติหรอก ประมาณปีสองห้าสองหกะไรเนี่ยหลวงพ่อภาวนากับหลวงปุดุ ล, ลเดินกันยาสองห้าเนี้ยหลวงปูดุลโอเครับรองแล้วว่าหลวงพ่อเดินได้ด้วยตัวเองแล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆว่าเขาเรียนกรรมฐานอะไรกันเข้าไปที่วัดสนามในไปหาหลวงพ่อเทียน ตอนน้นหลวงพ่อเทียนกําลังดังหลวงพ่อเทียนนี่ไม่เอาพุทธโธเลยบอกพุทธโธใช้ไม่ได้คนอื่นเขาใช้พุทธโธได้หลวงพ่อเทียนใช้ไม่ได้เพราะแต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันหลวงพ่อเทียนสอนขยับนะตอนที่หลวงพ่อเข้าไปวาสนามหนนะเห็นมีศาลาไม้อยู่อันหลวงพ่อเทียนก็นั่งขยับไปพูดไปบรรยายไป ลูกศิษย์ก็นั่งขยับตามเลยคารวาสนะไม่เห็นพระแต่นั้นท่านสอนโยมนั่งขยับขยับเราก็ดูเราเป็นคนตาไวมันดูปุ๊บหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวตลอดเลยขนาดพูดไปยังไม่หลงเลยนะสติท่านดีจริงจริงท่านสอนขยับขยับขยับในขณะที่ลูกศิษย์ขยับเนี่ยมีหลายแบบ พวกหนึ่งนั่งคิดท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนวะเอาท่านี้ท่าท่าไหนอีกท่านี้ น, น, นั่งคิดกับบวนท่าไปเรื่อยๆพวกนี้ยังเคลื่อนไหวไม่เก่งอีกพวกหนึ่งเคลื่อนไหวสวยเป๊ะเลยนะเพราะเคลื่อนไหวด้วยไขยสันหลังมันชำนานมากในการเคลื่อนไหวแล้วไขสันหลังมันสั่งให้ทำงานเคลื่อนไปเรื่อยๆ แต่ใจมันหนีไปนอกวัดหนีไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ไม่ถลกลพ่อเตียนไม่ได้สอนแบบนี้หลวงพ่อเตียนบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมืนมอนแมวเคลื่อนไหวแล้วจิตมันหนีไปต้องรู้ทันไม่ใช่เคลื่อนไหวนะสวยเป๊ะเลยแต่จิตไปอยู่ที่อื่นนะ้ะอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่เฉพาะที่หลวงพ่อไปเห็นที่วัดสนามไหนในวัดป่าเองนั่งสมาธิกันนะ บางคนนั่งตัวตรงแน้วเลยนะดูดีดูข้างนอกดูดีมากเลยกายมันถูกเลยแต่จิตมันไม่ถูกมีคนหนึ่งนะไปวัดกับหลวงพ่อด้วยคนนี้เวลานั่งสมาธินะี่ทิ้งกายเลยจะนั่งไม่สวยนะนั่งบางทีถ้ามีที่พิงเนะ่พิงไปเลยนั่งขัดสมาธิอยูนะ่ขัดไปขัดมาเหยียดขาออกไปแล้ว คนเห็นหัวเราะหัวเราะว่ยไอ้คนนี้ภาวนาไม่เป็นมันั่งหลับนะ้ครูบาอาจารย์เตือนอย่าหัวเราะเขานัะบาปนะร่างกายเขาเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วแต่จิตเขาเนี่ยตรงเป๊ะเลยเพราะมันอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าถูกหรือผิดอยู่ที่ใจเนี่ยอย่างถ้าขยับถูกต้องเป๊ะเลยเดยไม่ต้องคิดนะแต่ใจหนีไปที่อื่นก็ใช้ไม่ได้ อีกพวกหนึง่งกลัวใจจะหนีไปเพ่งไว้ที่มือเอาจิตไว้ที่มือเจ้าจิตมันไหลตามมือไปไปหยู่แช่อยู่ในมืออันนี้เป็นสมถะจิตจมอยู่ในอารมณ์ันเดียวแช่ในอารมณ์ันเดียวเนี่ยไปนั่งดูไม่ประทับใจประทับใจหลวงพาะเทียนคนเดียวแต่ก็ดูจำกระบวนท่าของท่านมาเนียไปนั่งใต้ต้นไม้ที่วัดท่านนั่นแหละ นั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้แล้วขยับบ้างขยับไปขยับมาลำคาญตั้งสิบสี่จังหวะมันไม่หมอกาจลิดเราเราเป็นพวกโทสานะทำอะไรที่วุ่นวายขั้นตอนมากพิธีกรรมมากลำคาญหูวงพขยับเหลือแค่นี้เเราได้แก่นคำสอนของเรารเถียนมาแนละ้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนี่คือแก่นของท่าน เรามองที่ท่านทําเราก็จับแก่นของท่านได้เคลื่อนไหวเรารู้สึกงั้นเราไม่ต้องเคลื่อนไหวสิบี่ท่าเคลื่อนไหวแค่เนี้ตอนหลังอั้นมาเจอหลวงพ่อคําเขียนะมาอยู่ที่นี่แล้วเจอหลวงพ่อคําเขียนท่านแลเราให้ฟังให้สิบสี่จังหวะนี้มันมาที่หลังเดิมหลวงพ่อเทียนสอนมีสติแล้วนะงั้นมีสติเคลื่อนไหวมีสติมีสติไปเรื่อยก็ถูกแล้วแค่นั้นนะ ไอ้สิบสี่จังหวาเลยทำที่หลังไม่สำคัญหรอกท่านบอกวนะ่าสำคัญที่สติเนี่ยองค์ที่ท่านตีความแตกนะตีคำสอนแตกนะแล้วลงมาตรงนี้เลยเนี่ยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีคนนิมนต์ท่านไปเทศที่สวนลุมอ่ะพอท่านเทศเสร็จนะ้วเข้ามาต่อว่าคนที่จัดนะ่ะสอนอะไรแต่เรื่องสติทำไมไม่สอนศีลสมาธิปัญญาท่านก็เล่าแล้วท่านก็หัวเราะ เขาก็ถูกของเขาหน้าอาจารย์ประโมทเราก็ถูกอย่างของเรานะก็มีสติมันก็มีศีลมีสติมันก็มีสมาธิมีสติมันก็มีปัญญาขาดสติตัวเดียวศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องพูดแล้วไม่มีหรอกนะตอนนั้นท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลจุฬานะเป็นมะเร็งหลวงพ่อบวชไม่นานหรอกเข้าไปกราบท่านพอท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านยังนอนอยู่ ท่านบอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้ได้ยไม่ใช่หมายถึงให้หลวงพ่อไปได้แล้วนะบอกมือไม่ต้องมาไปได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกไปได้แล้วไปได้แล้วพระศาสนาเนี่ยมีผู้สืบทอดแล้วคำว่าไปหมายถึงใครตัวท่านท่านบอกมีผู้สืบทอดแล้วหลวงพ่อไม่ได้เรียนสายหลวงพ่อเทียนใช่ไหม เมื่หลวพ่อคำเขียนบอกหลวพ่อสืบทอดได้เพราะหลวพ่อมีสติท่านฟังสิดีฟังอะไรแล้วท่านรู้ว่าเราสอนเรื่องสติมันไม่มีสายหรอกสายไหนสายไหนนะถ้าทาสติปัฏฐานถูกมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องมันก็อันเดียวกันหมดแหละสายขยับมือสายดูท้องสายอะไรเนะี่ยมันแล้วแต่พูดเราเอง ถ้าท้องพองท้องยุบแล้วมีสตินะ่ะมันก็ถูกเหมือนกันนะไปรู้ลมหายใจพุโทโธแล้วก็เคริบเคลิ้มไม่มีสติมก็ไม่ถูกเรานั้นกรรมฐานเนี่ยถูกหรือผิดมันอยู่ที่ว่าจิตมันถูกไหมมีสติถูกต้องไหมมีสมาธิถูกต้องไหมถ้าสองตัวนี้ถูกยังไงก็ถูกนี้พวกเราก็มาฝึกสติที่ดีสติที่ดีต้องเกิดเอง สติที่จงใจให้เกิดยังเป็นสติชั้นเลวกุศนะลที่ต้องจงใจให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนกุศลที่เกิดได้เองเป็นกุศลที่มีกำลังกล้านะเกิดเองเรียกว่าอาศังขาริกังไม่ต้องบิว้วนะอาศังคาริกังเนะี่ยถ้าแปลภาษายุคนี้คือไม่ต้องบิวอย่างบางคนได้ยินว่าอาทิตย์หน้าจะทอดกระถินนะที่เนี้ยใจปลื้มนะ ไม่ต้องบิวอยากมาร่วมงานอย่างนี้ได้บุญแรงอีกคนหนึ่งนะเพื่อนชวนให้อธินฐาไปถ้อยกะถินวัดหลวงพ่อประโมทกันมันหน้าหนาวนะมันไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นเพื่อนต้องบิ้วนานเลยกว่าจะตัดสินใจมาอันนี้เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนสตินี่ก็เหมือนกันถ้าสติเกิดอัตโนมัตินะมีกาลังกล้า สติที่ต้องบิวให้เกิดพยายามประคองพยายามรักษาเป็นสติชั้นชันแย่ๆเป็นกุศลนะแต่ว่ากำลังไม่พอที่จะเดินปัญญาอย่างแท้จริงเรา่าต้องฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดขึ้นวิธีฝึกให้สติอัตโนมัติถ้าเกิดขึ้นก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วก็คอยรู้เท่าทันอย่างเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวไวอย่าใจล่องรอยไป ใจลอยเรียกว่าขาดสติอย่างเนี้ยแอบไปคิดแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยเรียกว่าขาดสติใจมันหนีไปนะไม่รู้หรอกถ้ารู้ทันว่าใจมันหนีไปสติเกิดถ้าเราคอยดูที่จิตใจของเรานะจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปรู้นี่เราจเจริญสติด้วยจิตตารุปัสนาใช้จิตเป็นฐานถ้าจะดูกายอย่างเนี้ยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกไปได้นะ่อยๆอย่หลวงพ่อไปดูที่หลวงพ่อเทียนแล้วก็มาขยับขยับขยับเนี้ยามแค่เนี้เราก็เข้าใจหลักของท่านกลับมาบ้านอีกสองสามวันนะก็ขยับเล่นๆนะปกติตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มภาวนามาหลวงพ่อดูจิตไม่ได้ดูกายนี่มาเล่นกับหลวงพ่อเทียนอย่างนี้เราขยับกาย มีวันหนึ่งนะขาดสติเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันเพื่อนคนนี้อยากเจอมานานแนละ้วไม่เจอตั้งนานแนละ้วเพื่อนซีสมัยเด็กๆพอเห็นมันปุ๊บนะดีใจดีใจไม่รู้ว่าดีใจขาดสติแล้วกนะ้าวเท้านะเพื่อจะข้ามถนนหันซ้ายหันขวาข้อเท้าขยับเทนะสติเกิดปั๊บเลยเราไม่ได้เคยฝึกขยับเท้าเรารู้สึกนะตอนที่มาฝึกเล่นเนียขยับมือแล้วรู้สึก แต่พอเท้ามันเคลื่อนนะมันรู้สึกเองเลยเนี่ยสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนี้เรามาขยับเราไม่รู้ว่าขยับเพื่ออะไรนยะมันก็ไร้สาระนะทำโดยไม่รู้เจตนาไม่รู้เป้าหมายทำสเปสสปาอนาถาเกินไปนั้นเราขยับเนี่ยเพื่อให้ปลุกสติให้ตื่นตื่นเองขยับไปนะเจอทั่งร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้โดยไม่เจตนา พยักหน้าแล้วรู้สึกหันซ้ายหันขวาแล้วรู้สึกเนี้ยนะแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างที่โรงพ่อบอกมันก็ต้องหัดรู้สึกก่อนนะเพราะฉะั้นต่อไปนี้นะนั่งอยู่ก็รู้สึกยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่คอยรู้สึกไปคลิกซ้ายคลิกขวารู้สึกไปนะนั่งแล้วคันเกาแล้วเกาวก็รู้สึกเนะนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปแล้วสติจะเกิดเอง ถ้าไม่เอากายดูที่จิตเลยก็ได้จิตเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปดูก็รู้จิตหนีไปฟังก็รู้ต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปคิดปุ๊บสติเกิดเองเลยนะหลักเดียวกันนะคือดูสภาวะซ้ำแล้วซ้ำอีกไปนะกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ธรรมนี่เล่นยากหน่อยยังไม่อธิบายยาวนะที่ง่ายคือกายกับจิต ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปพอรา่างกายขยับมันรู้สึกโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยสติตัวจริงเกิดแล้วจิตใจขยับกระเยืย่อนเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนีจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้หัดคิดวินี้เรื่อยไๆไปต่อไปนะพอจิตไหลไปคิดปุ๊บสติเกิดเองเลยอัตโนมัติเลยสติที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วทันทีที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดร่วมด้วย นะอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นบางทีครูบาอาจารย์สอนแนละ้วขยับไปแนละ้วจิตหนีไปคิดเรารู้ท่านจะสอนอยงนี้ขยับมือไปหรือว่าเห็นเท้าพองท้องยุบนะหรือหายใจออกหายใจเข้าแล้วจิตมันหนีไปคิดเนะรู้ทันมันสําคัญรู้ทันที่จิตหนีไปคิดนะทําไมให้รู้ตัวนี้เพราะจิตหนีไปคิดทั้งวันเลยรู้ตัวนี้ได้รู้ได้ทั้งวัน อย่าถ้ารู้อีอบวตสีมันนั่งก็นั่งอยู่นานๆนา น, นานมากไปใจลอยหนีไปที่อื่นแล้วแต่ถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยนะมันเร็วมากเลยแป๊บก็หนีแป๊บก็ห น, นีเราจะเห็นที่ยิบเลยต่อไปพอจิตหนีไปคิดปุ๊บสติเกิดเองเมื่อสติเกิดทั้งวันพระจิตหนีไปคิดทั้งวันนะสติจะเกิดทียิบเลยนี่สติเกิดบ่อยๆนะจิตคุ้นเคยที่จะมีสติมันจะมีสติอัตโตนมัติเมื่อวาจะเล่าให้พระฟังเลย หลวงพ่อตอนอยู่ที่สวนโพนะภาวนาได้ 3, สามพันษาหลวงพ่อรู้สึกทอ้อแท้ใจวนะ่าภาวนาแนละ้วมันก็ไม่พ้นกิเลสนะยังจะต้องเกิดอีกอนะไรเงี้ยใจมันทอ้อแท้ใจทอ้อแท้ใจแล้วนึกนะเลิกปฏิบัติแล้ววนะ่าต่อไปนี้เลิกปฏิบัติแต่มันเลิกไม่ได้ไม่รู้จะเลิกยังไงนะจะเร่งความเพียรให้ดีกว่านี้ก็เร่งไม่ได้ เสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันเร่งกว่านี้ก็ไม่ได้นะ้วอยู่แค่นี้ก็ไม่เจริญอเลิกแล้วทอ้อใจไม่เอาแล้วแต่เลิกก็เลิกไม่ได้พวกเราเลิกได้ไหมเก่งเลยล่ะให้มีสติหรือยากให้เลิกหรือง่ายมากเลยคว้ามือถือขึ้นมาเถอะ สติแตกกระจายกระจายหมดแล้วสมาธิกระจายกระจายหมดแล้วเนี่ยมันต้องฝึกนะจนกรทั่งมันอัตโนมัติถ้าอัตโนมัติเนี่ยมากกว่านี้ก็ไม่ได้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้มันอัตโนมัติไปหมดแล้วต้องฝึกนะของฟรีไม่มีทุกอย่างแลกมาด้วยความยากลําบากทั้งสิน้นเนยกว่าจะได้สติอัตโนมัตนะินฝึกกันนานกว่าจะได้สมาธิอัตโนมัติฝึกกันนานนะกว่าจิตจะเดินปัญญาอัตโนมัติ กระทบตากระทบรูปเนี่ยจิตเห็นไตรลักษนณะ์แล้วเดินปัญญาเห็นรูปไม่ใช่เราเห็นรูปเกิดแล้วดับนีเวลาตาเห็นรูปเนี่ยไม่ต้องไปดูรูปเกิดดับนะตามองเห็นนีถ้าเวลาตากระทบรูปเนี่ยถ้าจะดูที่รูปเนี่ยดูว่ามันไม่ใช่เราแต่เวลาตากระทบรูปแล้วเรารู้ ความรับรู้ทางตาเรียกาจักขูวิญญาณจิตรู้ตัวเนี้ยดูอันิีจังมันเกิดลําดับทันทีเลยนะเวลาตากระทบรูปเนี่ยดูได้สอย่างนะดูดูรูปนะดูจักขูปราทดูผัสสะการกระทบดูความรับรู้ทางตาวิญญาณนะฉะั้นแต่ละตัวเนี่ยมีลีลาที่ไม่เหมือนกัน ค่อยๆฝึก อ, อ่ะเดี๋ยวเห็นเองอ่ะในตำราไม่มีหรอกนะตำราไม่ได้ละเอียดขนาดนี้ตำราเหมือนแผนที่แผนที่มันไม่ละเอียดเท่าที่เราเดินดูหรอกนะแต่ว่าแผนที่ก็ใช้คลาทางไปไดนะ้ไม่มีแผนที่ไปไม่รอดนะงินไม่มีปริยัติเนี่ยไปไม่ได้นะสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยคือปริยัติสิ่งที่พระพุทธเจ้า พ, พูดคือปริยัติ สิ่งที่พระโมคคัลลาสาริบุตรแสดงคือปริยัติมันเป็นความรู้ของท่านไม่ใช่ความรู้ของเราท่านสอนหลักปฏิบัติให้อันนี้เป็นปริยัติเราต้องมาลงมือเจริญสติเองเจริญสมาธิเจริญปัญญาเองแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเองความรู้ถูกเข้าใจถูกเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เป็นของจริงของเราเกิดจากการภาวนาการปฏิบัติ การที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยปริยัตนะจะฟังให้ได้ธรรมะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ต้องปฏิบัติหลวงพ่อเคยถามท่านพุทธท่านท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มผมจะเป็นพระโสดาบันไหมท่านฟันธงเลยไม่เป็นหรอกต้องปฏิบัติเอาต้องภาวนาเอาจาไม่ได้แล้วท่านใช้คําว่าปฏิบัติหรือภาวนา หลายสิบปีแล้วร่วมสี่สิบปีแล้วไปถามท่านหน้าตาเฉยเลยิจริงจะไปเอาเรื่องท่านอ่านหนังสือท่านแล้วกลายเป็นวิชาทิฏฐิแล้วว่าตายแล้วศูนย์ทีอาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพท่านเขกกบาลให้โอ้ยโมโหท่านพุท ธ, ธาทาสทําไมมาสอนจะเรากลายเป็นตายแล้วศูนยะ์ไปลุยท่านบอกท่าอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์หรอครับท่านย้อนถามกลับนะเราถามท่านท่านถามกลับ คุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอโอ้ยเรานี้หงายหลังเลยนะกราบท่านเลยเรามันโง่เองอ่านหนังสือท่านไม่รู้เรื่องกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปถามท่านเนี่ยท่านผมอ่านหนังสือท่านอาจารย์ทุกเล่มเนี่ยผมจะได้โสดาไหมไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาเหนังสือของท่านก็คือปริยัติแต่เป็นปริยัติที่มาจากองค์ความรู้ของท่านพระไตรปิฎกก็เป็นปริยัติ มาจากองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้ากับภาษาวกรุ่นโหนนคาสอนของครูบาอาจารย์ก็เป็นปริยัติมาจากความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์รุ่นนี้เราอะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้วยตัวของตัวเองยังไม่ได้ธรรมะไม่มีดวงตาเห็นธรรมนะเอาแต่คิดเอางั้นฝึกต่อไปนี้ไม่ว่าจะทำอะไรรนะ่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว ใจใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปไม่ต้องคิดว่าจะสงบหรือไม่สงบถ้าเมื่อใดรรู้สึกถูกต้องสมาธิก็เกิดเองสติก็เกิดเองสติเกิดเองสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดเองงั้นอย่างใจเราโกรธเนี่ยสติะระลึกได้ว่าโกรธความโกรธจะดับปั๊บลงไปเลยสติะระลึกปุ๊บเนี่ยกิเลสอยู่ไม่ได้กิเลสมันแพ้สติ นั้นโกรธขึ้นมาะระลึกได้ว่าเอ้ยโกรธแล้วนี่ความโกรธจะดับไปเลยนะแล้วจิตเนี้ยจะตั้งมา่อัตโนมัติสมาธิเกิดอันตโนมัติแต่ที่ครูบาอาจารย์เน้นว่าให้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้เพราะมันเกิดบ่อยโกรธนานๆจะโกรธทีหนึ่งแต่หลงคิดให้เกิดทั้งวันท่านถึงเน้นในตัวที่หลงคิดแต่ถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมรู้สภาวะอย่างอื่นได้ไหมได้ทั้งนั้นแหละ ถ้ารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะนะสติก็เกิดสมาธิก็เกิดสติเป็นตัวไปรู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏทันทีที่สติเกิดสมาธิก็จะเกิดด้วยค่อยๆฝึกสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมัน่นตัวนี้ไม่ใช่ลนะนะตัวนี้เป็นมิจฉาละสมาธิที่แข็งกระดกกระเดกค่อยๆฝึกไปไปกินข้าวกินข้าวก็ให้มีสตินะ เห็นอาหารถูกใจเลยไข่พะโลลูกนี้ดําพิเศษชอบอยากกินไอ้คนทางหน้าเราตักไปแล้วเนี่ยโมโหเนี่ยรู้จะเข้าห้องน้ำํำปวดท้องเต็มทีแล้วแถวก็ยาวใจกระวนกระวายรู้แต่เวลาเข้าห้องน้ํานี่ยเห็นใจกันบ้างนะใครเข้าฉุกเฉินะให้เข้าแซงคิวนะแต่ไม่ใช่แกล้งแซงคิวนะอ้นั้นเหตุเก็ดตัวไปไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ